สังเกตพินิษพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจเมื่อได้อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นท่านจะคอยเฝ้าสังเกตทั้งทางหูทางตาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการชี้แจงแสดงเรื่องใดท่านจะสนใจใคร่รู้ตลอดมา ด้วยความอัศจรรย์ท่านกล่าวถึงข้อปฏิบัติและคุณธรรมของท่านอาจารย์มั่นด้วยความเคารพบูชาว่าไม่เห็นมีสิ่งใดจะคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยปฏิปทาการดำเนินของท่านก็มีแบบมีฉบับมีตำรับตำรา หาที่คานที่ต้องติมิได้การพูดอะไรตรงไปตรงมาแม้การแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานก็แสดงชนิดถอดออกมาจากใจท่านแทๆ้ๆที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาทำให้ผู้ฟังฟังด้วยความถึงใจ เพราะท่านแสดงเหมือนว่าท้าทายความจริงจังของท่านและท้าทายความจริงของธรรมสิ่งนี้ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจและเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิมก็หมดสิ้นไปจากนั้น ท่านจึงย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะยิงไหมด้วยนิสัยทำอะไรทำจริงทำให้ท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องจริงสิถ้าไม่จริงให้ตายอย่าอยู่ให้หนักศาสนาและหนักแผ่นดินต่อไป เป็งความเพียรต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มเหนียวและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากว่าท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียร ตามการเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่าน ฝันที่ต้องทําให้จริงหลังจากที่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นได้ประมาณสักสีห้าคืนเท่านั้นท่านก็ฝันเรื่องประหลาดอัศจรรย์เรื่องหนึ่งดังนี้ความฝันนี้ก็เป็นความฝันเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันฝันว่าได้สะพายบาดแบกกรดคลด้คองผ้าด้วยดี ไปตามทางอนรกชัดสองฝากทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่หนามเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่นดานไปอย่างนั้นแหละรกรุมรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็มีก็ไผ่นาหนา ล้มทับขวางทางไว้หาหุนทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองฝากทางก็ไม่มีทางไปเอนี่เราจะไปยังไงนาะเสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไปก็เลยเห็นช่องช่องที่ทางเดินไปตรงนั้นแหละเป็นช่องนิดหน่อย พอที่จะบึกบึนไปให้หลวมตัวกับบาทลูกหนึ่งพอไปได้เมื่อไม่มีทางไปจริงๆก็เพลื่องจีวร อ, ออกมันชัดขนาดนั้นนะความฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเรื่องจีวร อ, ออกภัพเก็บอย่างที่เราภัพเก็บเอามาวางนี้แหละเอาบาทออกจากบาเจ้าของก็คืบคลานไป แล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยกลดก็ดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึงพอบืนไปได้ก็ลากบาดไปด้วยลากกลดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่อย่างนั้นแหละยากแสนญาพยายามบึกบืนกันอยู่นั้นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้ เดี๋ยวก็ค่อยดึงบ า, ไบาไไ ด, ด, งดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกรดไปกรดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้หมดแล้วก็คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะความฝันคลองจีวรแล้วก็สะพายบาดนึกในใจว่า เราไปได้ละทีนี้ก็ไปตามด่านนั่นแหละทางรกมาก่อไปประมาณสักหนึ่งเส้นเท่านั้นสภายบาดแบกกรดครองจีวรไปตามองไปข้างหน้าเป็นที่เวงวางหมดคือข้างหน้าเป็นมหาสมุทรมองไปฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่ง ที่เจ้าของยืนอยู่เท่านั้นและมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่โน้นไกลมากมองสุดสายตาพอมองเห็นเป็นเกาะดำๆนี่แหละนี่เราจะไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแจวเรือพายอะไรเรือมาเทียบฝั่ง เราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปนั่งเรือแล้วก็เอาบาทเอาอะไรลงวางบนเรือเรือก็บึงพาไปโน้นเลยนะโดยไม่ต้องบอกมันอะไรก็ไม่ทราบบึงบึง้งบึ้งไปโน้นเลยไม่รู้สึกมีภัยอันตรายมีคลื่นอะไรทั้งนั้นแหละ ไปแบบเงียบๆครู่เดียวเท่านั้นก็ถึงเพราะเป็นความฝันนี่พอไปถึงเกาะนั้นแล้วเราก็ขนของออกจากเรือแล้วขึ้นบนฝัน่งเรือก็หายไปเลยเราไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับคนขับเรือเราก็สะพายบาทขึ้นไปบนเกาะนั้นพอปีนเขาขึ้นไปขึ้นไป ก็ไปเห็นท่านอาจารย์มั่นกำลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆ ก, กำลังนั่งตามมากจอกๆ อ, อยู่พร้อมกับมองมาดูเราที่กำลังปีนเขาขึ้นไปหาท่านเอาวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ ท่านมหามาได้ยังไงกันกระผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนาใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายกันมาหรอกเอาถ้าอย่างนั้นตาห ม, มากให้หน่อยท่านก็ยื่นตะบันหมากให้เราก็ตำจ็อกจ็อกจ็อกได้สองสามจ็อกเลยรู้สึกตัวตื่นแหม เสียใจมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดีพอตื่นเช้ามาท่านเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์มั่นฟังท่านอาจารย์มั่นก็ได้เมตตาพูดเสริมกำลังใจให้สิทธิ์เพิ่มเติมอีกให้ภาคเพียรดำเนินปฏิปทาตามความฝันนั้น อดทนประพฤติปฏิบัติจนได้กลายเป็นจริงขึ้นมาท่านอาจารย์มั่งเมตตาพูดอธิบายความฝันว่าเออที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี้เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้น จะยากลําบากที่สุดนะท่านต้องเอาให้ดีท่านยาท้อถอยเบื้องต้นนี้ลําบากดูท่านลอดก็ไผ่มาทั้งก่อ น, นั่นแหละลําบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวงวางไปได้สบายจนถึงเกอะอันนั้นไม่ยาก ตรงนี้ตรงยากนาพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นแหละเบื้องต้นเอาให้ดียาถอยนะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะมันจะยากแค่ไหน มันก็ไปได้นี่อย่าถอยนะท่านฟังอย่างถึงใจพร้อมกับความมุ่งมั่นจริงจังอยู่ภายในว่าแม้การปฏิบัติจะยากเพียงใดเราก็จะต้องสู้อย่างไม่มีถอยเป็นก็เป็นตายก็ตาย